วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าปี4ีแปวันนี้ถ้าจะว่าเป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันสำคัญองค์หลวงตามหาบัวท่านทําบุญวันครบวันมรณาภาพโจมแม่ของท่านแล้วก็ท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาว่า เป็นวันทำบุญเปิดโลกธาตุคือคําว่าโลกธาตุเนี่ยไม่มีประมาณการมาโลกรูปโลกอรูปโลกชื่อว่าสามโลกธาตุสามโลกธาตุนี้ยังจัดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ยังไม่ถึงขั้นอริยะชนยังเป็น จิตวิญญาณหรือวัดดวงวิญญาณถึงจะมีบุญกุศลมากถึงจะไปอยู่พรมก็ยังมกวนเวียนมาเกิดในที่ต่าสูงสูงต่าต่ ำ, ตำลุ่มลุ่มร่อนรอนอยู่คือไม่คือไม่แน่นอนยังไม่ถึงขั้นที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลที่พานได้ยังเป็นยังอยู่ในวัฏวลอยู่จะอยู่ในวังวนอยู่ ถ้าเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วอันนั้นจัดเป็นอริยชนพร้อมที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นลงมาเรียกวกรรมมะโรกรลกร ป, ประโลกอรูปประโลกเนี่ยแปลว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะนั้นที่ลงตาทำบุญในวันนี้ก็ยกประเด็นโยมแม่โยมบรรดาของท่านขึ้นมาเป็นหลักจากนั้นท่านก็ ทำบุญอุทิศสวนกุศลชวนญาติโยมลูกหลานร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้เป็นการทําบุญใหญ่ประจําปีวัดขององค์หลวงตาคือยกประยะุยกยมแม่ของท่านเป็นหลักวันนี้รู้สึกคนจะมากนะวันนี้ที่วัดป่าบัรดาเพราะฉะนั้นวัดของหลวงพ่อก็สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เลยเอา จะตุปัจจัยเข้าไปถวายร่วมสมทบในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยแต่เมื่อเช้านี่ก็ให้เตรียมพวกอาหารไปถวายแ้วก็จะตุปัจจัยเอาไปถวายองคหลวงตาด้วยวันนี้ทางในครัวก็ไปเกือบหมดยังเหลืออยู่คนเดียวให้ดูแลพลาอันนี้ก็คือการทำบุญ การสั่งสมบุญกุศลพวกเราถ้าหากว่าไม่ทาบุญไม่รู้จักการทาบุญไม่รู้จักการก้ารสร้างกุศลเหมือนกับไม่รู้จักการเตรียมตัวหาเงินนั่นแหละถ้าว่าพวกเราไม่เตรียมตัวหาเงินวันพรุ่งนี้วันต่อต่อไปข้างหน้าเราจะกินเราจะใช้อะไร ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่หาเงินตั้งแต่บัดนี้อันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมบุญก็เพื่อชาติหน้าชาติต่อไปว่าเราจะได้เมื่อเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราจะบุญกุศลของเราที่ได้สั่งสมไว้ก็จะเกือ้อกูลหนุนเราแต่ทางว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ที่ไหนจะมาเกือ้อกูลหนุนเราได้เหมือนกับเราไม่ได้หาทรัพย์วันนี้ไม่ได้โสแสวหาทรัพย์ได้มาเท่าไหร่กินหมด แล้ววันพรุ่งนี้เราจะทํำยังไงถ้าเผื่อไม่ได้ทํางานทําอะไรเมือเผื่อไม่ได้ไม่ได้เงินเราจะทํำยังไงมันต้องทกข์แน่ๆเพราะฉะนั้นจึงทําการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เตรียมเพื่ออนาคตการหาเงินก็เพื่ออนาคตเหมือนกันที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแล้วมันผ่านมาแล้วแต่อนาคตที่จะถึงเนี่ยปัญหา เพราะนักการสั่งสมบูรณ์กุศลจำเป็นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะมันไม่มีไม่ไมใช่จะเกิดเฉพาะชาติเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วท่านรู้ท่านเห็นท่านจึงได้บอกกล่าวเอาไว้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าพหน้าชาติหน้ามีจริงที่ท่านตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้อะไร ที่โครนต้นโพเรีวยว่าเง่าต้นโพเมื่อ 2,588 ใน 2,548 ปีให้หลังพระพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมตัดสรู้อะไรปบเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้ไม่ใช่ชาติเดียวนะชาติผลหลังในชาติก่อนๆนนะ่ะพระพุทธองค์เป็นอะไรมาท่านก็เล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกมีทั้ง500ชาติบงัง ห้สบชาติบังสิบชาต like ิบังแต่ชาติที่แล้วพพระพุทธองค์เป็นอะไรจึงได้มาเกิดในชาตินี้พระพุทธองค์บอกให้ฟังอีกจึงปุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้จุตูปะปาตยานการจุติของสัตว์พระพพระุทธองค์ก็รู้อิยว่าการจุติการเกิดการตายของสัตว์การวกบนเวียนของสัตว์ยังว่าวัตตะบน ใครโลกราตัที่ลงตาพูดนี่แหละคือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลทำบุญบุญอุทิศให้แก่ใครที่เปิดโลกระถัดคือดวงวิญญาณหรือว่าญาติพี่น้องของพวกเราในอดีตชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตชาติเกิดมาชาติที่แล้วก็เหมือนกับชาตินี้แหละไม่แพ้กันเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็มีปู่ย่าตายาย และก็มีวงสาคนาญาตมีลูกเต้ามีสามีพัญญาที่รักเคารพนับถือเหมือนกับชาตินี้แต่ท่านเหล่านั้นได้ล้มหายตายจากพวกเราไปบางทีตายไปด้วยความห่วงอะไรเราหรือเราห่วงอะไรเขาเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นอาจจะวกวนเวียนอยู่เพราะกรรมอากุศลกรรมบางอย่างทําให้เขา มกบุญเวียนอยู่เพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนิชาินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญพวกเราก็เวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลทบุญทุกครั้งพวกเราก็น้อมจิดอุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณของพ่อแม่ของข้าพเจ้าปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าในอดีตชาติต่างว่าตก้างมีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ มีความสุขอยู่ก็ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเวลาเราทําบุญเราก็อุทิศส่วนกุศลอย่างนี้ทุกครั้งอย่างวันนี้ก็เหมือนกันอย่างวันนี้ก็พวกเราที่หลวงพ่อได้เอาจิตุปัจจัยของวัดของวัดเนี่ยไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวเป็นของคณะสงฆ์เป็นของญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันทําบุญถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้เก็บ ตุปัจจัยรวบรวมมาไว้บางทีก็ได้ใช้ภายในวัดบังบางทีก็ไปใช้ในคณะสงฆ์บังบุลรดูแลบำรุงวัดวาศาสนาขาน่าน้ําข่าวไฟบังและจํานวนที่เหลือเราก็ไม่ได้คิดว่าเฉพาะวัดของเราอย่างเดียวอนี้เราก็มองว่าเออหลงตาท่านได้ช่วยโลกช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงลาโรงเรียนช่วยคนทุกอยา่าง ช่วยกระทั่งหมาพิการล ง, ลงตาเราไม่เท่ช่วยธรรมดาช่วยกันักโรงพยาบาลในคกุกในตารางสร้างบ้านพักให้แก่นักโทษลงตาสร้างให้หมดสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเราเห็นว่าลงตาทำประโยชน์ให้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ในชาติบ้านเมืองตลอดถึงสถานีวิทยุทุกวันนี้ท่านก็ ตั้งขึ้นมากับประกาศเป็นเสียงธรรมไม่ใช่เสียงเฉพาะเสียงท่านองค์เดียวเสียงครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆหลวงปูล่ลาบหลวงปู่ชาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีคุณธรรมออาออกมาประกาศในสถานีวิทยุสาถานีวิทยุเหล่านั้นหลวงตาท่านก็ให้ความอุปถัมภ์ให้การดูแลก็ได้ใช้จตุปัจจัยไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเห็นว่าลุงตาทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่โลกอย่างมากมายเพราะนั้นจตุปัจจัยในวัดของเราที่เจียดออกมาที่จัดถวายองหลวงตาได้เพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยประกาศให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมถือพระเนนทุกองว่าพวกเราได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยในการเปิดโลกระถาต์ครั้งนี้นะผมเองได้ไปตีดับ เงินสดถวายองค์หลวงตาไปแล้วสองแสนบาทนะเพราะฉนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้ยินนั่งอยู่ที่นี่นะทั้งพระทั้งญาติโมยมด้วยอนุมโมทนาในใจนะให้ว่าอนุมโมทนาสาธุในใจบอกว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อปัจจัยนะเป็นของพวกเราทุกองค์เป็นของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมจะตุปัจจัยแต่หลวงพ่อเป็นผู้นําได้อาตวายองค์หลวงตา ให้หลวงตาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับชุมชนประเทศชาติแก่ชาวโลกที่ผู้ใดยินได้ฟังตลอดถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ที่องค์หลวงตาได้สงเคาะ อ, อนุเคราะห์ไปคือส่วนหนึ่งในครั้งนี้แหละที่ทําบุญเปิดโลกธานุแล้วกัวันนี้ก็เลยเตรียมอหารเข้าไปถวายองค์หลวงตาอีกแล้วก็จะตุปใจัยบางส่วนให้ไปถวายกับมือท่านแต่สุภาก พ, พวก ในครัวนะพวกเขาจะไปทําบุญนั่นอันนี้ก็ส่วนเล็กน้อยนะอันนี้แหละคือการสั่งสมบุญกุศลเราไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามว่าการทําบุญถึงจะเป็นเล็กน้อยก็คือบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจฐานะคือการเสียสละคือการให้เรามองข้ามไม่ได้ถ้าว่าคนเราถ้าหาว่ามีแต่อย่างอื่นไม่มีทานเกิดพบน้าชาติหน้า อันนี้สงทานไม่มีการทำมาค้าขายการเป็นอยู่ก็ลำบากเพราะอันนี้สงทานการทำบุญไม่มีเราจะรักษาศีลการเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็จริงแต่ว่าการคลองชีพของเราปัจจัยสีของเราลำบากมันก็ไม่สมดุลกันเหมือนกันเพราะนั้นทั้งทานด้วยทั้งศีลด้วยทั้งภาวนาทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นสามขาหยาาัไม่ล้ม่างนั้นเถอะ ตั้งตัวได้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเราประมาทไม่ได้ล่ะ ว, ว่าเราจะไม่ตกทุกข์ได้อยากในอนาคตมันไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการเตรียมตัวไว้ดีกว่าเพื่อความไม่ประมาทการสังสมบุญการสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเรานั้นนั่นหละเราจะมีที่พึ่งทางจิตใจคิดขึ้นมาเวลาใดจิตใจก็อบอุ่น เราได้สร้างบุญสั่งสมบุญสั่งสมกุศลเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าประมาทชีวิตของพวกเราในอดีตคืออย่างบในชาตินี้แหละออกจากชาตินี้แล้วไปเราจะไปที่ไหนไม่มีใครรับรองได้ไม่มีใครรับประกันได้อาจจะคิดก่อนที่ใจจะขาดอาจจะคิดตกเือไปส่วนใดส่วนหนึ่งเออมันอาจจะพลิกกลับ อ, อาจจะไปเกิดเป็นหมูกะหมากาไก่ ถึงจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็เถอะถ้าเราได้สั่งสมบุญไว้แล้วก็คงจะเป็นหมูหมากาไก่ที่มีคุณภาพที่มีศักดิ์ศรีที่มีคนรักหวงแหนเหมือนกันนั่นแหะเพราะเรามีบุญบุญกุศลถ้าทำไว้แล้วไปที่จะเกิดในสถานที่ใดก็ช่วยเกื้อกูลหนุนในภพชาตินั้นเพราะนั้นบุญ สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราควรจะสั่งสมเอาไว้เข้าสู่จิตใจอันนี้ก็คือการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่เข้าสู่ใจของพวกเราในวันนี้หลวงตาก็ได้ทาบุญเปิดโลกธานวิญญาณประเภทไหนที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในวันอย่างที่หลวงตาทาในวันนี้แต่ถ้าว่าพี่น้องของเราตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ทีฉาน หลือไปสู่สวรรค์ซะไปสู่ชั้นพรมก็ไม่มีโอกาสที่จะมารับได้ผู้ที่จะมารับได้ก็คือเปรตตวิสัยอสุลกายคือวิญญาณอย่างล่องลอยอยู่บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากบางทีก็ไปตกนรกพอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนบาปก็ไม่มากบุญก็ไม่มากบางทีลงมาจากสวรรค์หมดหมดบุญทางสวรรค์ลงมามามัดเป็นเปรต บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากไม่รู้จะไปไหนคอยญาติส่งบุญส่งกุศลให้ถ้าหากว่าญาติพี่น้องไปทําบุญอยากทําทบุญกับหลวงตาวันนี้หลวงตาประกาศเออทําบุญเปิดโลกธาตุนะถ้าหากว่าญาติพี่น้องของเราไปทําบุญกับออทําบุญกับพระสงฆ์นึกทําบุญไว้ในพุทธศาสนาพอทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเออญาติของข้าไปเจ้าอยู่ในภพภูมิในก็ตามในอนดนตชาติ เมื่อข้าพเจ้าทำบุญในครั้งนี้ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าเดอ้อมิญญาณเหล่านั้นก็เข้ามาเหมือนกับเราแจกเงินให้เขาเหมือนกับเราไปไปทำบุญเราได้เงินมาแล้วก็เราก็แจกเงินให้เขาเออเอานะเนอาตามวิถีที่จะต้องได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากจากเราเมื่อเขาได้รับเงินจากเราเอาบางทีได้รับมากเขาก็ตั้งตนตั้งตัวไปเกิดในภพภูมิต่างๆขึ้นมาอีก ด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้รับจากพวกเราแบ่งปันให้อันนี้คือการทาบุญและอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามวิญญาณใดก็ตามถึงได้ยินว่าเออประกาศทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเด้อเปิดโลกธาตุกรกลงกตาเด้อวิญญาณทั้งหลายวางเออญาติพี่น้องของข้านี่จะได้ทาบุญกัดไวในพุทธศาสนาหรือเปล่าได้ทาบุญ หรือเปล่าในครั้งนี้เ ข, เขาก็วิ่งมาพอมาดูแล้วไม่มีใครอุทิศส่วนกุศลให้ทันไม่มีไม่ใช่กลุ่มญาติไม่ใช่ที่จะจะต้องได้รับออันนี้ก็บ่าว่าเหมือนกับคนที่ยากจนแล้ววิ่งมาเพื่อจะแบ่งส่วนส่วนแบ่งแล้วว่าเด็กจะได้รับการแบ่งปันเงินคำทรัพย์สมบัติให้บ้างก็ไม่มีอันนี้ก็แปลว่าจะทํำยังไงลักษณะอย่างนั้น ถ้าเป็นคนก็หน้าม้อยกับนะถ้าว่าเป็นเปรตเขาจะแดงว่าหมดอไม่มีญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลให้แต่ในครั้งในครั้งนี้วงหลวงตาท่านบอกให้พวกเราเปิดกว้างทําบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวิญญาณวิญญาณไหนที่จะมีส่วนที่จะได้รับส่วนแบ่งมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้โดยไม่มีประมาณ ให้แก่ทุกวิญญาณแต่ส่วนที่เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เราในะยินดีที่จะให้อาบางทีเขาอาจจะอยู่ฝากกําแพงแต่เราเอา้าเอา้าแต่มันเอาไม่ได้มันยื่นมือเข้ามาไม่ถึงจะทํายังไงเห็นไหอันนี้ก็สุดวิสัยอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าเขาาพูดที่อยู่ในวิสัยที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้พวกเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อเปตชนเหล่านั้น อันนี้ก็คือการทําบุญใหญ่อย่างพวกเราเมื่อวันที่วันที่สิที่จะถึงเนี่ยมิทุนาเนี่ยก็ยกคุณแม่ชีแก้วเป็นประเด็นหลักเหมือนกันหลวงพ่อเองก็จะทําบุญทีส่สวนกุศลถึงโยมพ่อโยมแม่ตลอดถึงวงสาคนาญาติพราะเราจะไป ท, ทําทีละคนละคนก็ยุ่งยากเนี่ยก็พร้อมกันกันกบพวกเราทําบุญทีส่สวนกุศลถึง เปตชนหรือว่าญาติโยมที่มาสร้างวัดของพวกเราที่ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราแต่พวกท่านเหล่านั้นได้เสียสละทุนทรัพย์กําลังกายกําลังความคิดอะไรทุกอย่างมาช่วยวัดของเราวัดของเราพวกเราก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ก็เพราะเป็นความคิดและเป็นความตั้งใจเป็นทุนทรัพย์ของท่านเหล่านั้นหลายคนที่หลวงรับรับขันไป พวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มั่นใจแ ไ, ไม่แน่ใจว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจะไปอยู่ในสถานที่ใดอาจจะเป็นเปรดที่จะคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราอยู่เพราะนั้นปีหนึ่งพวกเราก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องของเราญาติโยมของเราผู้ที่มาร่วมสร้างบุญ ส, สร้างกุศลมาร่วมสร้างวัดวาศาสนาของเราด้วย เราก็เปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้เปตญยาต่าทั้งหลายตตลอดถึงพี่น้องของพวกเราทุกๆคนนั่นแนหะที่มารวมทําบุญ อ, อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นด้วยอันนี้สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อในพระพุทธเจ้า เ, าเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านผู้มีญาณทัศนะ ท่านมองเห็นว่าวิญญาณหรือดวงวิญญาณเหล่านั้นมีพะะนันการอุทิศตนกุศลพวกเราก็ไม่ควรประมาทแต่บางคนก็บอกว่าเมื่อเราทําบุญอุทิศวนกุศลไปแล้วบุญกุศลของเราจะไม่หมดเหรอเราให้เขาไปหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเราจุดไฟขึ้นมาคือการจุดไฟก็คือการทําบุญของเรานะั่นแหะ เราทําบุญขึ้นมาเราจัดจุดเทียนขึ้นมาแล้วคนอื่นมีเทียนมาจุดต่อห้องเราไปเนะี่ยไฟห้องเราที่อยู่ในเทียนมันจะบกพ่องไหมก็มีใครตอบว่าไม่บกพ่องเหมือนเก่าอันนี้เหมือนกันการอุทิศส่วนกุศลต่อเปตรตญาติและใครๆก็ตามถึงจะให้อุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดเหมือนกับเรามีเทียนอยู่ เทียนของเราก็ไม่บกพ่องไฟเทียนของเรายังอยู่เสมอเดิมแต่คนที่ได้ไปก็ได้ไฟไปเหมือนกับของเราเพราะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะหมดนะเพราะนั้นให้ทั้งหมดเลยด้วยจิตใจกว้างขวางจิตใจที่ ม, มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการทำบุญการสังสมบุญการอุทิศส่วนกุศล ส่วนตัวของเราท่นี่ไม่ไม่ใช่แต่เพียงทําบุญกุศลเพียงเท่านี้เพียงพอยังไม่ใช่ใควรจะมีจิตภาวนาเข้ามาด้วยก่อนหลับก่อนนอนก็ไหวพระนั่งภาวนาพยายามทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่าคิดปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกการคิดปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกมันมีแต่เรื่องทุกข์เพราฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่าน ไม่ให้ส่งกิตออกไปข้างนอกให้อยู่ในใจให้เฝ้าบ้านให้เฝ้าบ้านเหมือนกับใจของเราเนี่เฝ้าอยู่ในศาลาเรื่องอะไรมาเราก็เห็นได้อยู่ในบ้านของเราแต่เราหนีออกจากบ้านไปตเตลเิดเปิดเปิงไปไม่มาเฝ้าบ้านขี่ตุ๊กแกขี้ข้างคาวเขาจะมาเผาบ้านเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากไปห น, นีจากบ้านให้จิตใจอยู่ในบ้านให้มีสติอยู่กับตัวเอง เราจะได้รู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องวันนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้มีสติคนที่มีสติอยู่กับตัวเองนั่นะสติจะสมบูรณ์แต่ว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกปิดจิตใจปุ่มฟุ้งซ่านเผอิญเป็นบ้าเลยเ ด, ด้ใจออกจากตัวเองปล่อยใจเกินไปปล่อยใจออกนอกลูก่นอกทางเกินไปเป่าคนขาดสติ คนขาดสติแล้วเป็นยังไงคนขาดสติก็คือคนขาดสตังค์ไปไปพร้อมๆกันเพราะนั้นพวกเราให้มีสติอยู่กับตัวเองให้ภาวนาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมากระทบเข้ามาหาใจทั้งหมดนั่นราคาโทสะโมหะถึงข้าวสู้มันก็ต้องได้สู้อย่างได้ยินเทศธรรมเทศนาของหลวงตามื้อเช้าเนี่มีโยมเข้าไปถาม หลวงพ่อนั่งรถไปหลวงพ่อนอเต่อนี้หลวงตาเทศเนี่ยได้ยินมาในวิทยุเตอหลวงพ่อก็กดเทพไปหลวงพหลวงตาก็พูดเลยมีโยมถามว่ากระผมใจร้อนจะจะทำวิธียังไงจะปล่อยให้มันเลยตามเลยหรือว่าจะสู้กับมันหรือจะพิจารณาอะไรหลวงตาบอกว่าปล่อยไม่ได้ต้องสู้ลูกเดียว พอฟังขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่ามันร้อนอะไรมันไม่มีที่อื่นที่จะร้อนหรอกเรื่องการมาลาขะเท่านั้นที่จะทําให้ใจร้อนพอนั้นต้องพิจารณาพิจารณาอสุภะให้มากต้องพยายามอดนอนพ่ออาหารต้องพยายามสู้ให้อย่างสุดๆถ้าเอาชนะตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นเบาล่ะทีเดียแต่ถ้ า, าว่าตัวเอาชนะตัวนี้ไม่ได้อย่าหวังเลยตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มากกองทัพตัวนี้ เรื่องการมาลาค่เพราะนั้นต้องสู้ลูกเดียวต้องสู้ด้วยสันติวิธีสู้ด้วยความเพียรพยิจารณาให้มากพิจารณาสุภาให้มากพิจารณาความตายให้มากพยายามแยกแยะส่วนแบ่งส่วนให้มากในร่างกายอย่าให้มันถือว่าเป็นร่างกายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเจ็ดสวยงดงามต้องสู้นะสู้จุดนี้เอาละพอเข้าใจไหมท่านพูดมือชาวเนี ฟังฟังดูแล้วเป็นกติธรรมอันนี้สําหรับภาคปฏิบัติเท่านั้นนะแต่พวกผู้ที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติก็ฟังแล้วก็คงจะงงเหมือนกันออท่านพูดเรื่องอะไรฮแต่สําหรับผู้ปฏิบัติแล้วถึงเข้าใจเข้าใจท่านสู้จุดไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราเป็นผู้รับภาระรับเรื่องต่างๆถ้าว่าใจของเรามันหนักมันหนักเรื่องอะไรมันร้อนเรื่องอะไรนี่ มันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าเราพลิกล็อกปกทีเดียวเท่านั้นเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทิ้งโยนทิ้งตุ้มหมดไปเลยใจมันก็เบาสบายโล่งไปหมดเลยคิดมาขึ้นมาเวลาใดมันก็โล่งไปหมดเพราะเราไม่ได้แบกมันจะไปแบกมันทําไมแบกกระดูกแบกเนื้อหนังมังสามันเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามใช่ไหมถ้ามันชมว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมันก็แบกอือถ้ามันเห็นว่า สิ่งเหล่านั้นก็คืออย่างนั้นเออมันจะหาสิ่งที่ไหนเป็นสาระได้คนตายมันเลิกไม่รู้กี่คนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณายญาติใครๆคก็ล้มหายตายจากไปทั้งนั้นแหละถ้าว่าพิจารณาพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วมันโยนทิ้งในใจตื้นโล่งเบาสบายอันนี้คือเป็นจุดที่ต่อสู้อย่างหนัก อ, อ่ ถ้าพ้นตัวนี้ไปแล้วเบาแล้วนะมีแต่ใช้มหาสติใช้มหาปัญญาอย่างละเอียดขนั้นี้สู้สรุปแล้วก็คือท่านตรงนี้ก็คืออะไรถ้าว่าตามหลักแล้วก็คือการสู้วางตัวนี้ได้ก็คือพระอนาคามีตรงๆเลยโดยตรงเลยนะถ้าสู้สนะตัวนี้ได้เรื่องการมกิเลสราคาโทสะมันมันเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องสู้อย่างขนาดหนัก ถ้าว่าสู้ตัวนี้ชนะแล้วเนี่ยปล่อยวางได้แล้วเนี่ยหมดจิตใจเป็นพระนาคามียังเหลือแต่อวิชชาท่านเอง ต, ต้องใช้มหาสติมหาปัญญาพิจารณาจุดนั้นกดค้นเข้าหาจุดนั้นแต่นี่ก็คือด่านแรกมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างต้องกดต้องทนบางทีก็ต้องร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลแล้วเพราะสูญไม่ได้ทั้งที่รู้รู้อยู่แต่มันก็เอาชนะต่อหน้าต่อตาเรา เอายังไงเนี่ยพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านอย่างหลวงปู่จวนท่านเอากระดูกช้างแขวนคอตัวเองเดินยงกลมคนทั้งหลายไปเห็นเขาก็เออเขาก็คงจะว่าท่านเป็นบ้านั่นแหละแต่ท่านไม่ใช่ท่านพิจารณาดูมันทําไมไม่เห็นกระดูกทำไมเอากระดูกช้างแขวนคอเดินยงกลมเออมีขนาดท่านได้ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ แต่พวกเราได้ยินพวกเราก็จะแปลกใจนะแต่ท่านปฏิบัติท่านรู้แก่ใจของท่านท่านเป็นบ้าหรือท่านไม่เป็นบ้าท่านรู้ว่ามันใจมันหลงอะไรมันหลงกระดูกทำไมต้องกระดูกแหวนคอมันจะเป็นไงนั่นแหละอันนี้แหละคือภาคปฏิบัติทางด้านจิตตะพอนะเป็นเทคนิคของแต่ละองค์ที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตในใจของแต่ละท่านได้นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องการสั่งสมพุนกุศลเปิดโลกธาตุ แล้วก็ตะเลิดเปิดเปิงมาถึงเรื่องบุญกุศลเปตญาดพวกเปรตตลอดถึงเรื่องจิตตภาวนาเอาชนะใจที่มันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่รุ่มร้อนขุนเคืองเพราะอะไรยนะไม่มีอะไรหรอกนะใจที่ขุนเคืองขุนแค้ น, เ, นเรื่องนิทาะเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะอ่ะตอนนี้ไปรับพรมาตีนนะ อนุโมทนาให้พอรอุทิศส่วนกุศลหน้าแล้วก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงตาที่ท่านขณะนี้แท่านค ง, ง, งจะให้ชินให้พรเหมือนกันนะพวกเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศล